ภูเขาหินศิลาใหญ่สูงเทียมฟ้ากลิ้งบทปวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสีทิ่แแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉะนั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายวันนี้เรามาฝึกเจริญมรณะสติคือการพิจารณาถึงความตายกันต่โมฟังอย่าไปคิดว่า โอ้ยเริ่นช้ามากพูดเรื่องจะตายจะตายนี่มันทำไมเป็นการมองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่ส่าฟังนี่เป็นเทวทูตคือทูตนำข่าวดีทูตนำความดีพูดที่จะให้เกิดความดีได้ความตายนี่แหละเป็นหนึ่งในเทวทูตเหมือน ก, นกันกับประสงค์ เหมือนกันกับความเกิดแต่เราจะคิดว่าการเกิดดีมีงานแฮปปี้เบิร์ a เดย์มันก็เหมือนกันน่ะทั้งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและประสงค์คือสมณะเหล่านี้คือเทวทูตธรรมฟังพระพุทธเจ้าจัดไว้อยู่ด้วยกันเราจึงต้องมาทำความเข้าใจใช้ปัญญา ให้เห็นความเหมือนแยกความต่างให้ชัดเจนแล้วด้วยความคมคือปัญญาของเราจึงจะทำให้เราพ้นได้ตูฟังความหลุดพ้นได้รู้เข้าใจอริยสัจสีนั่นแหละมันจึงจะเป็นมงคลฝึกปฏิบัติธรรมปฏิคันในวันนี้ประมาณ60สนาที ในรายการธรรมรั บ, บรุณช่วงของจิตตะวิเวันนี้เรามาพิจารณาความตายเวลาเราจะพิจารณาเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนงงึ่งตบบวัตตต้องเริ่มด้วยสติสัมปชัญญะจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกไม่ว่าจะกินข้าวทำงานเดินทาง พูดคุยกับผู้คนมองสิ่งต่างๆคือมันต้องเริ่มด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้นล่ละก็คิดดูสิถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะในการกินข้าวในการพูดคุยในการเดินทางในการทำงานมันจะไปเลยนะมันจะมึนมันจะตึงมันจะเมามันจะใช่ไม่ใช่มันจะงงไปหมดนะ จะทำอะไรก็ผิดๆถูกๆหลงๆ ล, ลืมๆ เ, เริ่มโดยสติทุกอย่างตมบฟังไม่ว่าจะทำอะไรเริ่มต้นโดยสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอ ย, ยาวๆนี่ก็ถึงให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกอ ย, ยาวๆรับรู้ถึงลมที่มันผ่านไปตามส่วนต่างๆของร่างกายให้หมดเลย ตั้งแต่นอกโรงจมูกคือบริเวณส่วนที่เป็นหนวดส่วนที่เป็นปลายจมูกนั่นเลยพระอากาศเวลาที่เขาเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มามันก็เป็นลมใช่ไหมละ่ะลมธรรมชาติลมแอร์ลมพัดลมโดนตัวเราเนี่ยเราจะรู้ถึงสัมผัสได้อันนี้เป็นธรรมดาบางทีเป็นไอร้อนไอเย็นของลมบ้างหรือน้าร้อนน้าเย็น ที่มันมาโดนตัวเราเราก็รู้สึกได้มันคือความรู้สึกทางกายให้เราใช้ความรู้สึกทางกายนี่แหละตะโบฝังในการสัมผัสอยู่กับลมตั้งแต่มันก่อนจะเข้าตัวเราไอร้อนไอเย็นหรือสัม ผ, สมผัสมันมาเป็นยังไงจนมันเข้าสู่ตัวเราทางโปรงจมูกกรู้สึกไล่เรียงไปจนถึง แานในประโงจมูกที่คอที่อกที่ท้องจนไปถึงั่วร่างกายหายใจออกอยาวล้มจากั่้ร่างกายที่มันก็ไปตามฮิโมโกลบินหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยออกซิเจนตามกระแสะเลือดจนถึงปลายมือปลายเท้าไหลเวียนกลับมาด้วยการปั๊มของหัวใจ ผ่านทางปอดมีกระบังลมเป็นตัวชักนำดันออกมาจากทั่วร่างกายผ่านมาที่ช้องที่อกที่คอในโรงจมูกจนไปถึงด้านน อ, อกให้เรารู้สึกให้เราทำความกาหนดให้เรารู้ถึงอากาที่มันผ่านเข้าผ่านออก ในร่างกายของเราสักสองสามครั้งตับฝังการกำหนดสติสัมปชัญญะอยู่ในกายด้วยลมจะทำให้เราเข้าถึงจิตใจได้การเห็นลมในตับะฟังเป็นการเห็นจิตในจิตนะการเห็นลมไม่ใช่เป็นเพียงแค่กายแต่เห็นจิตได้ด้วยเพราะสิ่งที่มาทำหน้าที่ในการรับรู้ลมนั้น ก็คือจิตไงจิตมาทำหน้าที่ในการรับรู้การเห็นลมจึงเป็นการเห็นจิตด้วยเห็นจิตในจิตสังเกตดูด้วยสติสัมปชัญญะของเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสังเกตเห็นส่วนต่างๆของร่างกายด้วยลมผู้มาเข้าสังเกตนั้นคือจิตให้เอาจิต ของเราตั้งไว้อยู่นะที่เดี่ยวคะรา้านี้เราใช้กายเป็นตัวจับจิตของเราใช้กายคือลมเป็นตัวจับจิตที่จะมารับรู้ลมจับให้มันได้ความที่จิตมาระลึกถึงลมความที่จิตมาระลึกถึงกายความระลึกได้นั้นคือสติ จึงเป็นตัวเชื่อมกันไงตรงบุฟังสติจึงต้องอยู่กับลมและอยู่กับจิตเพราะว่าถ้าไม่มีสติจิตมันจะวิ่งวุ่นเลยเราจะไม่เห็นจิตในจิตถ้าไม่มีสตินะจึงต้องเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนอยู่รนบดทั้งสี่ จะกินข้าวเสอมเสื้อผ้าเดินทางทำงานหรือแม้แต่ป่วยนอนสมอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านก็ต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยสติประกอบด้วยสติสตและสัมปชัญญะอยู่ทุกอย่างพอเราตั้งสติไว้ตัมฟังไม่ต้องตามลมให้เห็นจิตของตน อยู่กักายของเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสังเกตดูลมอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่อยู่ด้านในโพรงจมูกพิจารณาไปคราวนี้พิจารณาไปพิจารณาใกล้กรวนถึงพุทธวจบทนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพระเจ้าเปรตที่โกศ ซึ่งในตอนนั้นพระเจ้าเปรเซนทิโกสนนี้ท่านได้กรองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่ชมพูทวีปด้วยวิธีการทางการทูตและวิธีการทางทหารจึงสามารถกรองความเป็นพี่เบิ่มได้ในชมพูทวีปนั้นพระเจ้าเปรเซนทิโกสนจึงได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าบันนีอโัโตความฝันความหวังของฉันสำเร็จแล้ว ที่จะกรองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วปัตตีไม่มีใครที่จะมีอำนาจทั่วชมพูทวีปได้เหมือนฉันอีกแล้วจึงได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่ายังมีกิจอะไรที่จะต้องทำอยู่ต่อไปอีกหรือไม่มีไหมคือเหมือนเราเนี่แหละคุณผู้ฟังที่ว่าบางทีประสบความสำเร็จแล้วไม่ว่าจะ เรื่องการเงินการงานชีวิตคู่ความสัมพันธ์สุขภาพอะไรต่างๆคือประสบความสาเร็จแล้วนะแหมและอยังจะต้องทำอะไรอีกใช่ไหมบางคนก็จะมีเป้าหมายต่อไปบางคนก็จะทำสิ่งอื่นต่อไปแต่สำหรับพระเจ้าประสิิ์ที่โศสนที่เป็นพระราชานี่คือเหมือนสุดแค่นี้ละไงคือมันไม่มีขอบ กรอบของแผ่นดินที่มันจะไปต่อแล้วนะไปทางด้านเหนือก็ติดภูเขาหิมาลัยแล้วไปทางด้านตะวันออกตะวันตกหรือใต้ก็เป็นทะเลไปหมดละคือมันเต็มที่สูงสุดใดแค่นี้เราคิดตรงนข้ามก็ได้นะตมูฟางนะหรือแม้สำหรับบางคนที่ว่าสูญเสียหมดทุกอย่างเลยนะหิดหวังหมดทุกอย่างไปตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงนะ คนหนึ่งในกรณีของพระเาเประเซนโกศลนี่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในชมบูตูบีไม่มีอะไรที่จะเกิดไปกว่านี้ส่วนอีคนหนึ่งเอาเปรียบเทียบต ร, รงข้ามกันดูว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพสมบัติเขาจะมีตำแหน่งเนี่ยทัฟังในแต่ละเมืองละเมืองเนี่ยเขาเรยทุกขตาบุคคลคือบุคคลที่มันแย่ที่สุดแล้วอ่ะคือ จนที่สุดหนึ่งเมืองแล้วนะ่ะถ้าเราเปรียบพระราชานี่หรือเศรษฐีนี่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดใช่ไหมมันก็จะมีคนที่จนที่สุดคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคนที่แบบไม่มีทางจะไปได้แล้วเลยนะงานไปขอเขาทำเขาก็ไม่ให้จะขออาหารกินก็ทั้งยากทั้งลําบากที่พักนี่ก็เป็นเพิงหญ้าธรรมดา ฝาเฟอที่ว่าจะมาปิดบังเป็นใบไม้กอกผูกกรนที่ทํากินนี่ไม่ต้องพูดถึงที่ว่าจะไปอยู่อาศัยครอบครังปฏิปักษ์แต่พอถึงเวลาแล้วเจ้าของที่คงจะมาเอาคืนไปผู้เบียบีอยู่ตลอดอย่างงี้นะในบรรดาทั้งสองคนนี้มันเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่ามันสุดหมดแล้วไงคนหนึ่งก็ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอีกคนหนึ่งก็สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรเหลือเลยในชีวิต lens, นี่ไม่มีอะไรเห hat, <belang getting S 2> <อ>ลือสําหรับคนแรกคือไม่มีอะไรเหลือที่จะเอาได้แล้วน่ะคือมันเต็มที่ทุกอย่างแล้วอีกคนหนึ่งก็คือไม่มีอะไรเหลือที่จะเอาได้แล้วน่ะคือมันศูนย์เสียหมดทุกอย่างแล้วน่ะไม่ต่างกันเลยแต่ฝั่งสองคนนี้ไม่ต่างกันคือไม่มีอะไรเหลือหมดแล้วคนละมุมนะ คุณมุมถามก็คือว่าไอ้ที่หมดแล้วดูเหมือนจบแล้วชีวิตนี้ฉันจบหมดทุกอย่างจริงๆเลยทั้งสองอย่างนะตูฟังนะคำพูดนี้นะจริงๆมันไม่ต่างกันคนหนึ่งจบว่าได้ทุกอย่างแล้วไม่เหลืออะไรจะเอาคนหนึ่งจบตรงที่ว่าสูญเสียหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะให้เสียแล้วเหลืออย่างเดียวเนี่ย เหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวซึ่งไอ้ที่เหลืออย่างเดียวยมันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงด้วยซ้าคนมั่งข้างร่ำรวยมีเงินทองหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ได้เนะี่เหลืออย่างเดียวยังไม่ได้คือความตายมาแน่นอนส่วนคนที่ไม่มีอะไรเหลือแล้วเลยสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เหลืออย่างเดียวที่ยังมีอยู่นี่ยนะคือชีวิตไงซึ่งชีวิตเดี degree, degree, here, fallen, ๋ยวคุณต้องได้สูญเสียมันแน่นอนฝันตรงให้คำถามคือที่คุณได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหลือความตายอย่างเดียวที่คุณจะต้องได้ต่อไปเนี่ยที่คุณสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหลือชีวิตอย่างเดียวที่คุณต้องได้สูญเสียต่อไปเนี่ยคุณจะทํำอะไรกับมันคุณจะทํำยังไง ยังมีกิดอันใดที่จะต้องทำต่อไปอีกหรือไม่ถ้าเราประสบความสาเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะความตายที่เราก็จะได้ด้วยเจอแน่มาแน่เราสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราอย่างเหลือชีวิตอยู่ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยต่อไปจะต้องได้ตายแน่ ไอ้ความตายที่จะมาถึงที่เราจะได้รับเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงส่วนคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียต่อไปอีกแล้วหมดแล้วคุณยังมีชีวิตเหลืออยู่คุณต้องได้เสียแน่ไม่ต้องห่วงเลยถามว่าไอ้ชีวิตที่คุณเหลืออยู่เนี่ยคุณจะทำอะไรกับมันคุณจะทำยังไงทั้งสองคนมันเหมือนกันตรงนี้ไงเดี๋ยวฟัง เหมือนกันทั้งพระเจ้าจักรพรรดิที่ได้ครอบครองความเป็นใหญ่ยิ่งก็ต้องทำสิ่งเดียวกันกับญาจบทุกตะบุคคลคนเข็นใจที่สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหมือนกันนะฟังโดยถามประชา้าเปรเซนติโกสนนะว่าเอาแต้าขเาราชบริบานของพระองค์นี้มาจากทางเหนือทางใต้ทางตอนออกทางตอนตก เป็นสายรายงานข่าวเข้ามาที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากเลยแต่ละคนละคนนี่เขาบอกว่ามีภูเขาหินด้วยสีลาภูเขาหินสีลาในแนหฟังแปลว่าหินสีลาเนี่ยไม่ใช่หินทั่วๆไปไม่ใช่หินภูเขาไฟไม่ใช่หินกรวงๆแต่เป็นหินทั้งแท่งหินสีลานี่คือหินทั้งแท่ง ไม่มีช่องโปรองอยู่ในเนื้อหินหมายถึงไม่เป็นทรรไม่มีช่องที่จะให้เข้าไปได้เป็นหินตันทั้งแท่งสูงจระฟ้าคือสูงมากจนไม่รู้ว่ายอดมันอยู่ตรงไหนนี่สูงเที่ยวฟ้าเลยแล้วมันก็กำลังเคลื่อนที่เข้ามาอ๋อภูเขาทำไมเคลื่อนที่ได้ไม่รู้เหมือนกันแล้ะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้ว จะทำยังไงจะทำยังไงจะเอาไม้ไปงัดจะเอาป่าไปยันมันมันไม่ได้เลยมันบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกาลังกลิ้งเข้ามากลิ้งเข้ามากลิ้งเข้ามาจากทั้งสี่ทิศเลยนะเหนือใต้ออกตกเข้ามาบอกปรามรามกันกลิ้งเข้ามากลิ้งเข้ามาคือแบบดันมาเลยคือเดกลิ้งยังเป็นวงกลมใช่ไหม แล้วก็ยังจะมีช่องตรงล่างๆบ้างท้ามันมาชนกันจากทั้งสที่ปรดีเนี่โอ้ยเวลาเขาบทมานี่นะมันไม่ได้จะมาโดนกันเป๊ะหรอกก็แถวหนึ่งไปก่อนอีกแถวหนึ่งตามมาบทเขยี่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นเคสท่มาฟังเป็นเคสเป็นกรณีศึกษาที่ประพุทธเจาตามประเจ้าเบอร์เซนดโกสนนะว่าจะทํำยังไงในกรณีแบบนี้ ท่านจะทำยังไงพระราชานี่จึงวางกลยุทธ์เลยต่้มุฟังด้วยวิธีการทางรัฐศาสตร์ด้วยยุทธวิธีทางการทูตหรือทางการทหารโอ้คำนวณแล้วมันไม่ได้นะโอแตเราจะใช้กองทัพช้างประมาณเท่านี้กองทัพม้าเท่านี้ยุทธวิธีแผนการรบด้วยตรีศูนย์ หรือแผนการรบด้วยกองพลเดินเท้าใช้น้ําใช้ไฟโอ้มันสู้ไม่ได้เนี่ยเพราะมันบทขยี้ทุกอย่างมาเลยเนี่ไฟก็ถูกบทขยี้น้ําก็ถูกบทขยี้ยังจะช้างจะมา้าจะคนถูกบดขยี้หมดขยี้หมดโอ้ใช้กองทหารไม่ได้ใช้กองทหารไม่ได้เอาถ้างั้นใช้หลักการเรื่องของปัญญาหรือวางกับดัก หรือใช้ไม้งัดหรืออะไรยังไงจะมันจะได้ไหมใช้กลไกอะไรแบบนี้โอ้แ่ก็ถูกบทขยี้หมดถูกบทขยี้หมดเก็งี้ใช้ยูทูบบิทีทางการทูตนะไปพูดคุยดูสิต่อรองดูต้องการอะไรต้องการเพชรนินจินดาหรือเปล่าต้องการเงินทองเท่าไหร่หรือว่าต้องการช้างหรือมา้าหรือทรัพยากรอันใดว่ามา จะจัดหาให้อะไรที่ท่านไม่มีมันเงียบเลยใูฝันหมดขี้หมดหมดขี้หมดหมดหม ด, หมดไม่เหลือใช้ยุทธวิธีทางการทูตก็ไม่ได้ตอนนี้แล้วก็จะยิมยื่นความตายมาให้เหลืออย่างเดียวคือความตายที่คุณยังไม่ได้เนี่เขาเดลิเวอรี่มาเลยผ่านทางภูเขาหินสิลาใหญ่ กำลังบทขยี้ทุกอย่างมาจากทั้งสี่ทิศจะเดลิเวอร์ความตายจะเอาความตายมาส่งให้แล้วแล้วมันไม่ต่างอะไรกันนะท่านผฟังกับคนที่สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาเอาอะไรจากคุณไปอีกแหวนก็าถอดออกหมดเวนตาก็าถอดออกหมดรองเท้าเสื้อผ้าเขาถอดออกหมดเขาจับตัวคุณจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเลยนะี่ย ทุกทอดออกหมดทุกอย่างที่ดินเอาไปก่อนแล้วก็แตกคุณนี้แล้วทรัพย์สมบัติบ้านทั้งสังหาริมทรัพย์ทั้งอสังหาริมทรัพย์กู่ครองลูกก็ เ, เอาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจับตัวดูลูกหมดข้างหน้าข้างหลังไม่เหลืออะไรเลยจับจับดูจับจับดูเอา้ามันยังเหลือตัวเราดีว่า เออมันยังเหลือชีวิตนี้อยู่นะมันยังเหลือกายนี้อยู่ก่อนแล้วเขาก็จะไปด้วยมันจะได้ตายแล้วนี่คำถามเดียวกันที่พระพุทธเจ้าโพให้ถามขึ้นว่ายังจะมีกีจอะไรที่จะต้องทำจากตอนนี้ไปอีกหรือเปล่าสำหรับพระเจ้าประเสริฐที่โกศ น, นี้จึงบอกว่าโอ้งั้นก็ต้องประพฤติทำ ประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญสนใจคำว่าธรรมะเจริยาสมะเจริยากุศลกิริยาและบุญญากิริยาอย่างอื่นทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเหลือสี่อย่างเนี้เท่านั้นซึ่งมันก็คืออย่างเดียวกันนั่นแหละประพฤติธรรม ระพฤษสม่มเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญหรืออย่างเดียวนะยังไม่ได้นะคือความตายเขากำลังจะดีลิเวอร์มาให้เหมือนกันคนที่สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวก็จะเอาไปนี่คือชีวิตนี่คุณจะทำยังไงเอ้มันจะไปทำอะไรได้มันก็ต้องธรรมจาริยาสัมมาจาริยา กุศลกิริยาและบุญญกิริยามีสีอย่างนี้เท่านั้นที่จะทำได้ตอนนี้อย่างอื่นทำอะไรไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปหมดแล้วอย่างอื่นไม่มีเหลือแต่การประพฤติธรรมการประพฤติสม่ำเสมอการสร้างกุศลการบาเป็นบุญสาหรับคนที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะมาเปลิอเปลิในสิ่งที่ตัวเองมี ยินดีกำนัดพอใจไม่ได้แล้วเหมือนบทกระยีกันมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันไม่ได้มันต้องบระพฤติตามอย่างเดียวทำไม่อื่นไม่ได้จะมามัวเปลื้อเปลนยินดีพอใจไม่ได้จะมาคนที่สูญเสียมมนทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างแล้วจะมามัวเสียใจร่ำให้คร่ําครวญโถชีวิตนี้เขาก็จะเอาไปอีกแล้วคุณไม่ได้มันมันไม่มีเวลาให้ทำอย่างนั้นกนะ็จะเอาชีวิตนี้เราไปแล้วนะ่ะ มันจะไปทำอะไรได้นอกจากประฤติดทำสร้างกุศลบาเพ็ญบุญทําอย่างสม่ําเสมอหรืออย่างเดียวที่ทําได้ไม่มีเวลาให้ดีใจเปลือเปลนยินดีไม่มีเวลาให้เสียใจระบายกำลังโกรธเรื่องนั้นเป็นเรื่องเสียเวลาโดยยิ่งคนที่มันอยู่ตรง ก, กลางๆเนี่ยนะที่นี่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างนี่สุดตรงสองข้างเลยนะดูฟัง ที่วาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างกับศูนย์เสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ฐานพวกที่อยู่กลางๆ ก, ก็ไม่ต่างกันหรอกทั้งสเปกตรัมจากไม่มีอะไรเลยก็ยังมีชีวิตเหลืออยู่แต่ที่จากมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วยังเหลือความดายังไม่ได้ทั้งสองสุดๆก็ต้องทำอย่างเดียวกันและไอ้พวกตรงกลางตรงกลางนีเนะี่ย อย่างคนเราธรรมดาทั่วไปท่านฟังตื่นเช้ามาฉันต้องไปทำงานฉันต้องทำกับข้าวฉันต้องเดินทางฉันต้องไปเรียนหนังสือฉันยังจะต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หาเวลาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต่างอะไรกันกับคนที่ก็ต้องได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรต้องหาแสวงหาหรือสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรใจะให้เสียแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเน่ท่านฟัง ยู่ในสเปกตรัมอยู่ในเร น, นี้เหมือนกันเพราะถึงเวลาความตายมานะ่ะทุกวั่งนะหมอคนไหนเขาก็รักษาให้ไม่ตายไม่ได้แล้วก็อกอโทคุณหมอเราพยาบาลทุกท่านด้วยแม้แต่ตัวท่านพุที่รักษาเองก็ไม่รอดเหมือนกันคุณเป็นหมอมะเร็งเมื่อดีก็ตายด้วยโรคหัวใจคุณเป็นหมอหัวใจเหมือนดีก็ตายด้วยอุบัติเหตุคนเป็นหมอเรื่องชีตวิทยา ก็ยังต้องแก่ตายแต่ว่าคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีกองทหารมียุทธวิธีมีทั้งเงินทองก็ยังรักษาให้ไม่ตายไม่ได้เลยนะวันนี้คนรายุมากๆเลยยิงคนเรามันเก่งขึ้นเยนะก็มีหมอเฉพาะทางนี่มากขึ้นคุณตาคนหนึ่งเคยมาข้าพเจ้าดูฟังไปหาหมอทีเดียวนี่สี่คนนะ โรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยหมอแต่ละคนมุ่งที่ก่อนนัดไม่ตรงกันอะ่ะเอาเดือนนี้ทำไมไปหาหมอหลายรอบแต่โอเออเมื่อวานเนี่ยหาหมอวิชานวันนี้หาหมอวิเชียนส่วนพรุ่งนี้เนี่ยไปหาหมอวิชัยก็ไม่รู้ว่าสามคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าแต่คนหนึ่งนี่ดูปอดคนหนึ่งนี่ดูไตอีกคนหนึ่งดูช่องท้องเอา้า ดลดร่างกายเดียวกันทำไมต้องไปหาสามหมอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็อธิบายด้านนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งอธิบายด้านหนึ่งไปแต่ละครั้งนะก็ต้องวัดความดันชั่งน้ําหนักโอ้สามหมออะไรกูฟังสุดท้ายคุณตาคนนี้ตอนนี้ท่านก็นไม่อยู่แล้วจากไปแล้วงานศพกับวิชาของยังไดไปยุเอาแล้วหมอเวนั้นเขารักษาแล้วเขายังไงเนี่ยโอ้ย คือรักษาให้ไม่ได้เถึงเวลาก็าต้องตายกันไปลดโดยเฉพาะย่างยิ่งคนที่บอกมีเงินทองมีอำนาจวาสนาร่ำรวยรู้จักคนเยอะนี่โดเขาไม่ได้แค่ว่าวิชาวิเชียนวิชัยหรอกหนูฟังเขายังเอาสมสีสมหญิงสมหมายมาด้วยแค่นี้ไม่พอเขายังเอาบุญชัยบุญญาดาบุญชูมาอีกพวกนี้เป็นหมอหมดนะหหมอเก้าหมอ ส2องหมอจนถึงเ9้าเก้าหมอนะี่แหละมาช่วยกันดูพยาบาลอีกคูณสิบไปเหลือไหมต่อให้กองทหารต่อให้แพทย์หมอพยาบาลล็อกกันหมดทุกอย่างเลยนะตระวังนะไม่เหลือความตายถึงเวลานี่มาเอาชีวิตไปขัาพระเจ้าเกิดเห็นคนตายตรวรังต่อนหน้าต า, ตาเลยไม่ได้เอกใครมาเอาโย่มแม่เนี่ยแหละ ไปยืนอยู่ข้างเตียงที่ท่นจะตายหมอเนี่ยเขาก็มาดูอยู่แล้วใส่ยาให้เดเบนี่ไม่มีใครรู้หรอกตั้มฟังว่าไอ้เตียงที่เรานอนไปวันนี้มันจะเป็นเตียงที่เราได้ลุกขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะเป็นเดทเบสคือเตียงที่เรานอนตายก็ได้แม้แต่คนที่ตายนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำวันนี้จะเป็นเตียงสุดท้ายที่เราจะไม่ลุกขึ้น ความดันก็ค่อยลดลงลดลงไปเขาใส่ยาเพิ่มความดันให้เต็มแม็กแล้วลมหายใจก็ค่อยแผวเบาแ ผ, ว เ, าแผวเบาลงไปเขาใช้เครื่องช่วยหายใจนในปั๊มอย่างเต็มที่แล้วสัญญาณชีพก็ค่อยห่างออกห่างออกจนมันหายไปหายไปโอ้ยเขาใส่ยากระตุ้นหัวใจนี่เต็มที่แล้วจนเต็มหลอดแล้วตัวบัวหมด ตาตมันกลับออกไม่ได้ถึงเวลานั้นนี่หมอไหนก็ช่วยไม่ได้แล้วท่านบวจะเอานักกลยุทธ์นักรัฐศาสตร์นักกฎหมายมาต่อรองอะไรเนี้ยไม่ได้แล้วถึงเวลานั้นก็ททำไงนี่มวนพระไปท่ฟังพระไปแล้วจะไปช่วยอะไรได้พระนี่พระก็ไปยินดูเฉยพระก็ช่วยไม่ได้ท่านบวชไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นเตวดาด้วย เทวดาเทพมารบรมสมณพราหมณ์หรือใครๆในโลกเป็นฐานะที่เขาจะไม่ได้กันตัวเรานะตัวเราด้วยนะเป็นฐานะที่จะไม่ได้ว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลย ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราเนั่นแหละว่าขอให้มันสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราเนี่แหละว่าเป็นอย่าให้ได้ชิบหายไปเลยเป็นสิ่งที่สมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่ได้ตัวเราก็ไม่ได้ตัวเขาก็ไม่ได้ของของเขา ที่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความชิบหายเป็นธรรมดาธรรมดาของมันนั้นนั้นมันก็ต้องถึงเวลาแล้วเป็นงไงแก่ไปเจ็บไปตายไปสิ้นไปชิบหายไปเป็นธรรมดาแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ช่วยแม่ไม่ได้บางอย่างนะทุวฟังเช่นอุบัติเหตุอย่างนี้นะหรือว่าภัยจากสัตว์ร้ายภัยพิบัติต่างธรรมชาติ บางทีแม่ลูกเนี่ช่วยกันได้ยังมีหน่วยกู้ภัยมาช่วยคุณได้ยังรอดพ้นมาได้นะถึงเวลาบางทีมันแคล้วคลาดได้ตุ่มังเช่นบางคนเจอประสบการณ์เชียดบ้างบางคนเจอเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึง่งมีคนช่วยเหลือให้รอดพ้นสถานการณ์มาได้แเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมดาตัวตไปนะเช่นว่าคุณทํางานในที่ทํางานเออมีคนมาช่วยงาน ตอนนี้ดีก ว, ว่าเขาก็ไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยหรือบางทีมีคนมาช่วยเหลือเราเวลาเราเดินถนนไปตลาดไปเที่ยวอะไรอย่างนี้บางทีเจอเรื่องราว บ, บางอย่างเขาก็ยังช่วยกันนะยังมีใช่ไหมละ่ะแต่พอถึงเวลาตายจริงๆเนะี่ยถึงเวลาที่แก่ลงไปจริงๆเนะี่ยถึงเวลาที่เจ็บไข้กันจริงๆอ่ะจนหมอก็บอกว่าเออก็รักษาตามอาการนะคุณ ให้คำนี้เป็นคำที่ปฏิเสธความรับผิดชอบของหมอเขาแต่เขาพูดแบบว่ายังรับผิดชอบอยู่ไงก็ถ้าป่วดก็จะให้ยาแก้ปวดถ้าเจ็บก็จะให้ยาแก้เจ็บถ้าคันก็จะให้ยาแก้คันถ้าแสบก็จะให้ยาแก้แสบนะแต่ไม่รู้ว่าแสบ ม, ามาาันมาจากอะไรคันมาจากอะไรเจ็บปวดมาจากอะไรไมันลงไปตามาารักษามาแล้วคือมันรักษาไม่ได้แล้วให้จนหมดแม็กเลยก็ยังคันอยู่แนละ้วก็คันอยู่นั่นแหละก็ได้เท่านี้ตูฟัง เป็นสิ่งที่ใครๆช่วยอะไรกันไม่ได้ถึงเวลาจริงๆเนะี่ยคณว่าแม่กับลูกนรักกันมากคือแม่นี่ตายแทนลูกก็เลยก็ว่าได้หรือลูกที่รักพ่อแม่มากๆตายแทนพ่อแม่ก็ได้นะถ้าตายแทนได้แล้วเขาจะไม่ตายฉันจะยอมตายเลยถ้าเจ็บแทนแม่ได้แล้วแม่จะไม่เจ็บถ้าปวดแทนพ่อได้แล้วพ่อจะไม่ปวด ถ้าตายแทนได้แล้วลูกจะไม่ตายถ้าแก่แทนได้แล้วลูกจะไม่แก่นี่โอ้ยฉันจะทำแทนเลยแต่มันไม่ได้นะท่านบวงถึงเวลามันก็ต้องเป็นใบของมันอย่างนี้พระอนุนจนปัญญาเลยนะหุวังพระอนุนตอนที่ดูพระพุทธเจ้าตายก็ อ, อยู่ข้างเตียงปริธานของพระพุทธเจ้าเลยสมพระอนุน คนดูไม่ได้ไปยืนเหนี่ยวไม้ขันป่วยร้องไหยอยู่คือก็ว่ายืนเศร้วเนี่ยตัววังก็จะเป็นชื่อเรียกท่าพิเศษคือยืนแบบหมดอะไรตายอยางคือลักษณะก็คือว่าเอาหัวเนี่ยพิงกำแพงในที่นี้ต้นปราหนนี่ก็เอาหัวนี่พิงต้นไม้โดยเอาข้อมือมารองไว้ระหว่างหน้าผาของตัวเองกับต้นขันถวย น้ำตาเนี่ก็ไหลออกหยดลงปอกปอกที่โคนต้นพันธุ่ยนั้นเสียใจว่าโอ้ตัวเรายังเป็นเศขาบุคคลยังมีกิจที่จะต้องกระทำอยู่แต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างในโลกจะดับไปเสียแล้วจะจากไปเสียแล้วเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงทาอะไรไม่ได้นะท่านบคือไปยืนเศร้าอยู่ยืนหมดอะไรตายยาก พระบุเจ้าตามาทันพระอนุน์ให้มาดูท่านตายเรียกให้มาดูความตายเรียกให้เห็นความตายให้เห็นความตายตามความเป็นจริงทุกวังว่าเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะสมณะพราหมณเทพมานบรมหรือใครๆ ใ, ในโลกเขาจะไม่ได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่ตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายสิ่งที่ ชิปหายเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปที่ว่าให้ดูคนตายเห็นความตายเนี่ยให้เห็นตรงนี้นะตุฟังเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาชีวิตก็เป็นธรรมดาการเกิดก็เป็นธรรมดามีเหตุปัจจัยแห่งความเกิดความเกิดก็เกิดขึ้นได้มีเหตุปัจจัยแห่งความตายความตายก็เกิดขึ้นได้ มีเหตุปัจจัยแห่งความเจ็บความชิบหายความแก่ความเศร้าหมองใดๆถ้ามันมีเหตุมีเงื่อนไขปัจจัยความแก่ความเจ็บความเศร้ามองใดนั้นๆมันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมโคตรดับได้ด้วยเหมือนกันนะถ้ามันมีเหตุปัจจัยแห่งความเกิดแล้วมันเกิดขึ้นมันก็เกิดสิใช่ไหมล่ะถ้าเหตุปัจจัยแห่งความมีอยู่ของมันยังอยู่มันก็ยังคงอยู่ใช่ไหมล่ะ แต่ตาเหตุปัจจัยความอยู่มันดับไปหายไปมันก็หายไ ป, ไปดับไปดับไปได้เหมือนกันอะความเกิดก็ดับไปได้ความแก่ความเศร้าหมองความเจ็บความปวดต่งตางต่างก็จนศึกษากันหมดอะว่าปวดเพราะสิ่งนี้ก็ให้ยาระงับประสาทไม่ให้เส้นประสาทมันไปรู้สึกมันก็หายปวดขึ้นมาความปวดก็ดับไปได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่ได้มีเหตุเดียวมีผลเดียวนะ การปวดการเจ็บการอะไรต่างๆมันมีหลายเหตุห ล, ลายปัจจัยมาประกอบกันทั้งชีวิตด้วยทั้งความเกิดด้วยจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันดับไปดับไปนมันก็ต้องสร้างเหตุให้ถึงความดับไม่เหลืองไงทุกฝั่งเหตุที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความตายนั่นคือองค์ประกอบอันประเสริฐแปอย่างได้แก่สมาทิฏฐิ สมัสสังกปะสมาวาจาสมากมนตะสมาชิวะสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธินี้จะเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งความตายนี้จะเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือซึ่งความเจ็บความแก่ความสิ่งไปความชิบหายดับไปหมดได้ ด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแต่อย่างนี้ขุดโยโ ย, โยง่ายง่ายก็คือศีลสมาธิและปัญญาในคำศัพท์ที่พระเจ้าประสิทีิโกศลเข้าใจคือธรรมจ ร, รมิยาสัมจริยากุศลกิริยาบุญญากิริยาการปฏิบัติธรรมการปฏริบัติเสมอ การสร้างกุศลการบาเพ็ญบุญเป็นสิ่งที่เราทำเองของเราได้คือขอโทษนะคือทำให้กันไม่ได้พูดงี้ดีกว่าพูดแบบปลอบใจปลอบใจก็คือว่าเราทำก็เราเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นทาให้แต่ถ้าคนอื่นเขาจะทำให้เขาก็ทำให้เราไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องทำก็เราเองและมันไม่ได้ยากครับบฟังเขาแคว่า คนที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคิดว่าจะมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเผลอเผลอยินดีลุ่มหลงมันไม่ได้นะคือหนึ่งคือได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันคือไม่ได้ยิ่งทาไม่ได้เพราะมันขาดศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็คือการประพฤติทำประพฤติดีปฏิบัติชอบทําอย่างสม่ําเสมอพระราชาได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเหลืออย่างเดียวไม่ได้คือความตาย ก็ทาได้คนที่สูญเสียมดทุกสิ่ทุกอย่างแล้วคิดว่าไม่มีอะไรจะให้แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วคุณทำไม่ได้หรอศีลเนี่ยก็ตรงจะตายอยู่แล้วนั่นนหะก็รักษาศีลได้บ้าล่ะเออถจะไม่คิดน้อยเนื้อต่ำใจคิดแบบเศร้าหมองจิตประกอบด้วยความสูญเสียมันทำไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เพราะว่า ไม่มีอะไรเหลือให้ทำนาะก็ได้ยังมีกายมีใจยอยู่มันทาได้เนะนี่ยตบุฟังทำได้เดียวนั้นเลยถ้าทำไม่ได้เพราะว่ากำนัดยินดีหรือเศร้าหมองเสียใจทำไม่ได้แต่ถ้ามีชีวิตอยู่ไม่มีอะไรเหลือเลยยังทำได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างมันไม่ได้จะช่วยอะไรหรอกก็แค่กายก็แค่จิตของเรา เ, เท่านั้นเอง ตั้งไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะให้เห็นไว้ด้วยปัญญาสติสัมปชัญญะนี่มันเป็นเหมือนเครื่องเล็งถ้มาฟังตนบอกว่าเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจหาหัวลูกศรเราทุกข์อยู่ตรงไหนเราจะดับทุกข์ได้ต้องดับตรงที่มันทุกข์คุณเป็นแผลตรงไหนคุณจะใส่ยายให้มันหายได้ คุณต้องใส่เปตรงแผลคุณยึดถือตรงไหนจะละความยึดถือได้ก็ต้องไอตรงที่เรายึดถือนั่นแหละคุณรักตรงไหนจะคลายความรักความยินดีได้ก็ต้องตรงที่เรารักนั่นแหละถ้าเราไม่พอใจใครเกลียดใครเราจะกําจัดความเกลียดความไม่พอใจก็ต้องตรงที่เราเกลียดนั่นแหละ ถ้าเรารักใครมากเกินไปเกลียดใครมากเกินไปเหมือนจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ยากแต่ถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราจะไม่ได้รักใครมากเกินไปจะไม่ได้เกลียดใครมากเกินไปแล้วด้วหวงเพราะองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทั้งความรักและความเกลียด ของทั้งความชอบและความชังของทั้งความยึดของทั้งปัญหาของทั้งความมีและความสูญเสียคุณจะดับความมีความได้ก็ได้นะคุณจะดับความสูญเสียความผิดหวังก็ได้นะด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างนี้คือการประพฤติ ธ, ธรรมการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญ พระพุทธาตือนทรรมประนบนที่มปยืนเศร้าอยู่บอกว่าตถาคตได้บอกแล้วมิใช่หรือบอกซ้ำบอกย้ำคือเรื่องนี้ธบุฟังก็ไม่ได้ฟังจากข้าพุทธเจ้าครั้งเดียวหรอกเรื่องมรณสตินี่ฟังซ้ําฟังย้ํากันอยู่นั่นน่ะฟังกันหลายรอบด้วยซ้ําปีปีหนึ่งเหนียวมาพูดกันหลายครั้งแต่ก็ต้องบอกซ้ําบอกย้ํา แหมคือพระพุทธเจานี่ยซ้ำย้ำ ม, มามากกว่าคำาระช่าวอีกทัวฟังอยู่ในพระสูตรที่มาในพระตรัยปิฎกเนี่ซ้ำกันเฟรสนี้ก็ความเนี้ยอยู่เรื่อยว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าสิ่งใดที่มีความเกิดแล้วมีแล้ว นันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกสลายเป็นธรรมดารายปรารถนาในสังคารนั้นว่าอย่าชิบหายเลยนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้เป็นอฐธนาะฐานะหรือฐานะนี่ต้องวังคือหมายว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือมันจะเป็นไปไม่ได้คือมันเป็นไปไม่ได้ไงงางต้องระวัง ที่ว่าจะให้ของที่มันจะแก่จะตายจะเจ็บจะเปลี่ยนแปลงสิ้นไปว่าอย่าให้มันแก่มันตายมันเจ็บมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่สิ้นไปคือมันเป็นไปไม่ได้ impossible เป็นไปไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้นะคือมีความพ้นมีความพ้นจากสิ่งที่แก่เป็นธรรมดา ตายสิ้นไปเศ้าหมองชิบหายรอบด้านได้ธรรมดาเนี่แหละเราสามารถพ้นจากมันได้เขาทาไมจะเป็นไปได้เราตงกี้บอกเป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัญญานะใช้ปัญญาเข้าใจนะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้ามีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรก็เป็นไปได้ ถ้าไม่มีปัจจัยไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีทางที่มันจะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยถามว่าปัจจัยที่จะให้สิ่งที่แก่ที่ตายที่เจ็บที่สิ้นไปเศ่อาหมองนั้นมันมีไหมโอ้จะดูอันนั้นก็ต้องดูกันแล้วว่าไอ้ที่มันมาเป็นอย่างงี้ได้เนี่ยสิ่งนั้นมันมันทำมาจากอะไรไมาละ่ะอาแต่ชีวิตมนุษย์ ก็ทำมาจากาธาตุไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนเป็นส่วนใหญ่มีธาตุเหล็กมีอะไรก็ผสมกันอยู่บ้างหรือหินปูนช้ายเอาก็ธาตุสีดินน้ำไฟลมหรือไม่ก็เป็นสารประกอบอื่นๆแคลเซียมแมกนีเซีย ม, มันในกประกอบกันไปใช่เป็นวัตถุอะไรต่างๆขึ้นมาก็ถ้าสิ่งที่มาประกอบกันนั้นมันมันทิ้งแท้ไหมละ่ะมันแตกกำลายได้ไมมันเปลีป่ยนแปลงได้ไหม มันเจ็บได้ไหมมันสิ้นไปมันหายไปได้ไหมเอ้ากว่าเธอสิ่งที่มาประกอบนั้นมันแก่ได้เจ็บได้ตายได้สิ้นไปได้หายไปได้แล้วไอ้สิ่งใหม่ที่มันประกอบขึ้นมาแล้วมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่หายไปไม่สิ้นไปหรอคือมันมันไม่ได้นะเพราะเหตุปัจจัยเงื่อนไขก็มันมาเป็นอย่างนี้นะมันจึงเป็น impossible เลยทุฟังเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในสิ่งที่มันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเนี่ยมันไม่ได้นะเป็นอธรรมน่ะนี่คือนี้เราก็ต้องยอมรับมันไงก็ต้องยอมรับมันว่ามันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยแล้ิดและวคิดอีกนะตแต่ตอนเป็นบริษัทนี่เราก็แบบสอนย้ําแล้วย้ําอีกนะพอยอมรับเข้าใจสิ่งนี้ได้เนี่ยด้วยปัญญานะี่ ก็สอนย้ำแล้วย้ำอีกละมาเออมันเป็นอย่างนี้ล่ะสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้คุณต้องยอมรับมันอยู่กับมันให้ได้หาช่องเหตุหวังถามว่าอีกการที่เราจะยอมรับมันได้จะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้โดยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้โดยไม่ให้มีความเศร้าหมองรบด้เนี่ท่านเชือว่า ม, มันพ้นจากกันได้อยู่เหนือได้ เหมือนภูเขาหินกลิ้งบทมาทุกสิ่งทุกอย่างเราจะอยู่ยังไงอยู่ด้วยการปฏิปพฤติธรรมปฏิพฤติสม่ำเสมอสร้างปุสมะเป็นบุญนี่แหละนัมนคืออรียมากมีองค์8ปไงอยู่ด้วยองค์ประกอบอันปอระเสริจ8อย่างเนี้คุณจะพ้นจากความตายความตายนี่ดับได้นะเราทำไมดับได้แย่ที่บอกดับไม่ได้เอาความตายเกิดจากอะไรเล่าเกิดจากความเกิด มีความเกิดก็มีความตายอันนี้เรากำลังจะดับความเกิดด้วยนะดับความเกิดด้วยศีลสมาธิปัญญาเขามันดับความเกิดได้ไงนี่เขาบอกวความเกิดมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเล่ามีพบมีชาติมีอุปท า, านเลยก็ใช้ง่ายศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันดับอุปท า, านดับตัณหาดับอวิชชามีวิชาเกิดขึ้นมันคือปัญญา มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจมันเหมือ น, นแสงสวา่างไอ้ที่ว่าเราถูกเอาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่หดเหลืออะไรเลยทุกอย่างมืดแปดด้านนี่มันมีแสงสวา่างระหว่างแสงสว่าง น, นั้นคือปัญญาเหมือนมันไม่มีทางอะไรจะไปยังไงเลยใช่ป่ะมันมีทางไปอยู่ที่ว่าภูเขาหินมันบดมาทั้งสีทิศเลยไม่มีช่องที่จะไปได้เลยมันมีช่องไปอยู่ช่องที่จะไป ทางที่จะเดินสิ่งที่จะทำชีวิตที่เริงมีเหลืออยู่เนี่ยแม้แต่คืนเดียวคืนเดียววันเดียวมันดีมันมากไปเอาแม้แต่แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหนึ่งนี่เราอายุสั้นลงไปครั้งหนึ่งนั้นทังฝั ง, งเข้าใกล้ความตายไปทุกลมหายใจทุกลมหายใจลมหายใจเดียวที่ออกและเข้านี่ บางที่มันออกแล้วมันไม่เข้าเนี่ยหรือเข้าแล้วมันไม่ออกเนี่ยอือ้ออออืขึ้นนี่ปฏิบัติได้ทุกฟังศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็ไม่อยู่เดี๋ยวนี้ไงตัง้งแต่นั่งกันมานี่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติปิดในการมพูดเท็ศดื่มโุรามีอะไรไหมก็ศีลได้เราธรรมดานี่แล้วมีแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปขอออกจากพระชาประสงค์ทําได้เลยทันที่ สมาธิล่ะอ๋ก็เรากําลังตั้งจิตอยู่กับมรณสติตั้งจิตอยู่กับอนาปานาสติเอ้าเนี่ยมันก็เป็นสติแล้วไงมีสติสมาธิก็เกิดน่ะไตรตรองใกล้กรุนเรื่องราวตามที่พูดมาจิตจะมีความระ ง, งับลงจิตที่มีความระงับลงก็เป็นสมาธิไงมีสมาธิแล้วใกล้กรุนด้วยปัญญา คือการไกรกรุนตามลำดับขั้นด้วยใจอันแยบคายจะทาไม่เกิดปัญญาจะมีปัญญาได้ไม่ใช่แค่ว่าคิดเอานะดูฟังเหมือนต้องไตรตรองไกรกรุนโดยแยบคายจะแยบคายได้ก็ไม่ใช่ว่าแบบหุงสร้างจิตไม่สงบน้วมันจะแยบคายได้นะมันก็เป็นแค่การท่องบนการพูดไปธรรมดาแต่พอเรามีศีลเป็นพื้นฐาน มีสมาธิเป็นกำลังเวลาไตรตรองใคร่ครวญอันใดาการคิดนึกไตรตรองนั้นเป็นยุนิโสมานสิกานเรามีการโยนิโสมานสิกานอยู่ด้วยจิตที่เปนสมาธิโยนิโสมานสิกานนั้นคือปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาปัญญาไม่ใช่ไว้ใช้ทําแกงกินเฉยไม่ใช่แค่ว่าเออหาเงินหาทอง ดำรงตำแหน่งมีชื่อเสียงเพราะการใช้ปัญญามันประโยชน์น้อยไปเขาปัญญานั้นมาทำจิตของเราให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองรับด่างด้วยการเห็นตามความเป็นจริงว่าเราจะได้ตามปรารถนาในสังคารนี้แต่ที่ในเล่า การที่จะขอของที่มันมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่สมณพราหม์เทพมารบรมหรือใครๆจะได้เขาไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเสียใจเราถูกเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วไอ้ที่เราเสียไปหมดแล้วมันก็ยังมียูคือชีวิตยยังมียู ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราเจะเพลิเพลินยินดีถ้าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วไอ้จะเราได้มาหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เสียไปหรือชีวิตนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวมันได้ตายแน่ให้เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ทมกบุฟังศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้เป็นปฏิปทาประกอบด้วยองค์อันประเสริฐแปดอย่างจะไม่เราพ้นจากความตาย อยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าคุณจะอยู่ในวันน้าใดจะอยู่นักษัตรวุณน้ำพราหมณ์ุณนภ์แพทยวุณสูตรเป็นคนจันทานหรือคนเทขยอยามูนฝอยสูงสุดเป็นพระเจ้าจักรวรรดปัมสุดเป็นคนเก่นใจภูเขาหินศิลานี้กลิ่งมาไมัใช่บทนยี้ทุกสิ่งทุกอย่าง คือความตายมาแน่จะเอาชนะด้วยการรบด้วยมณคาถาด้วยทรัพย์สินสมบัติไม่ได้คนที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบัณฑิตเล็งเห็นแล้วจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเป็นขาตาที่พระพุทธเจ้ากล่าวสรุปไว้ทุฝั่งในที่นี้บอกไว้ว่าผูเขาหินศิลาใหญ่ ซูลเทียมฟ้ากลิ้งบทปวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสีทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉะ น, นั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกระสัตผู้ปรามพวกแพ์พวกสูตรคนจันทานและคนเทขายมูลฝอยไม่เว้นไกลๆมาเลยมันย่อมย่ำยี่เสียสิ้น ในที่นั้นไม่มียุทธภูมิสําหรับคนช้างผลมา้าไม่มียุทธภูมิสําหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสําหรับผลรากและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยหมุนหรือด้วยศัพท์ประเหฮนนั้นแหลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในประสงค์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเดียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบรรเทิงในสวรรค์คำนี้ท่านกล่าวไว้เป็นภาษาบาลี ที่ได้รจนาไว้เป็นคาถาที่เป็นคำกรมีอักษรสลัสลวยไว้ดังนี้ว่ายะถาปิเสลาวิปุลาณพังอาหันจะปปตาสมันตาอนุปริเ ย, ยุงนิปโปเทนตาจะตุทิสาเอวังชะราจะมัจจุจะอะนิวัตตันติปานิโน คติเยปรามณเนเวเสสุเทันทาละปุกุเสนะตินจิปริวัเิเจติสภามีวาพิมัทตินะตถะหัตถีหนังภูมินะรัฐานังนปติตาณนะจาปิมันตะยุตเทนะสักาเชตุงทเนนวา ตสมาหิปันติโตโปโสสำปัสสังอธรรม ต, ตโนปุทะธรมเมจะสังเคจทีโรสัทังนิเวสเยโยธรรมะจารีกาเยนะวาจายุทธเจตสาอิเทวะนังปัสสังสันติเบจสักเคกปโมทะตีติเราพิจารณาให้เกิด ปัญญาตัมบฟังจะสามารถรอดพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายจะสามารถให้เห็นด้วยปัญญาได้ว่าสังขารั้งหลายมีความเสื่อมสึ่งไปไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้คือการอยู่อย่างไม่ประมาตัมบฟังในติฏฐิแตฟังจบไปนั้นคือการปฏิบัติสมาธิภาวนาชนิดที่เป็นรูปแบบในรายการธรรมรัปรุณ ช่วงของจิตตะวิเวกที่จะมาพบกับตะบูวังเป็นประจำในทุกวันการตั้งแต่เวลาตีหถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมาหาไพบุญอาภีปุนโนเป็นผู้ดาเนินรายการ แล้วปก๊บเนไงเนียวันพรุ่งนี้เจริญปาน